บัดนี้จัแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อนมนมัตรการประภูมิภาพ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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงความแห่งทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงโมะ่ะคือความพ้น อันหมายถึงพ้นกิเลสพ้นทุกข์อันเริ่มด้วยปฏิบัติในบารีสุขที่ศีลทั้งสี่ ได้แก่ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ความสำรวมกินรีคือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจความบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพ กับการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่คือทานุงหมอาหารที่อยู่อาศัยหรือการนั่งการนอนและยาแก้ไขใข้บริโภค เพื่อประโยชน์ที่ต้องการบำรุงเลี้ยงร่างกายไม่ใช่เพื่อเพิ่มพูนกิเลส ก, กันหาเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้กับคมจัน์ และเมื่อได้ปฏิบัติในศีลเป็นภาค พ, พื้นก็ปฏิบัติในอารักกกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้ ให้มีประจำาอยู่ในจิตใจเนืองนิดคือพุทธานสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมตตาแผ่เมตาเมตาปรารถนาให้เป็นสุขอสุภคิจาจรณากายนี้ว่าไม่งดงามและมารณสติระลึกถึงความตาย เมื่อจิตใจได้หารักกรรมาฐานีรักษาย่อมเป็นจิตใจที่สงบตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างดีต่อจากนี้ จึงควรปฏิบัติการทำมิปัสสนาคืออบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงสืบต่อไปการอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นเริ่มแต่กำหนดดูเข้ามาในตนเอง ให้รู้จักขันท้าคือกองทั้งห้าอันแรกแต่รู ป, ปรขันกองรูปคือรูปประกายอันนี้อันประกอบด้วยถาทั้งสี่เวทนาขันกองเวทนา คือความรู้สุขรู้ทุกข์รู้ไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจสัญญาขันกองสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่น จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลตภะสิ่งที่กายถูกต้องและจำเรื่องราวทางใจสังขารและขันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดถึงเรื่องรูปบางเสียงบางกลิ่นบางรสบางผลตภะสิ่งที่กายถูกต้องบาง เรื่องทางใจต่างๆบ้างปรงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างปรุงเป็นกลางๆบ้างวิญญาณขันกองวิญญาณคือความรู้ อันปรากฏเป็นความเห็นรูปความได้ยินเสียงความทราบกลิ่นรดหดสลพัฒคือสิ่งที่กายถูกต้องและความรู้เรื่องราวทางมณเณรต่างๆรวมเข้าเป็นขันธ์าซึ่งทุกๆคนมีอยู่ และขันห้านี้ย่อลงก็เป็นรูปเป็นนามรูปประขันก็เป็นรูปนามาขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตกำหนดดูให้รู้จักขันห้าอันย่อลงเป็นนามารูป ตนเองและขันห้านี้พระ บ, บรมศาสนาตรเรียกว่ากูปาทานขันขันคือกองอันเป็นที่ยึดถือวันนี้เป็นของเรา เราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอัตาตัวตนของเราย่อลงก็คือเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นอัตาตัวตนนั่นเองสามั ญ, ญชนทุกคน ก็ยอมยึดถือขันข่านี้หรือที่ย่อลงเป็นนามรูปว่าเป็นอัตราตัวตนเป็นเราเป็นของเราแต่ว่าขันทั้งห้านี้รวมเข้าก็เรียกมาเป็นสังขาร คือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งประกอบด้วยลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งคือมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อมสิ้นไปปรากฏเมื่อยังตั้งอยู่ ก็มีความแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเมืองๆว่าเรามีความแก่จเจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ ที่เรียกว่าเราเรานี่ก็เป็นสมมติสัจจะที่ปัดเรียดตัดบุคคลทั้งปวงตามที่ยึดถือกันเมื่อตัวเราของเรานี่แหละโดยตรงก็คือปัดเรียดคันั้นเป็นที่ยึดถือทั้งข่าวนี้ของทุกๆคน เรเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้อ ง, องเจ็บต้องตายอันแสดงถึงลักษณะที่มีความเกิดความเสื่อมสิ้นปรากฏและเมื่อตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเมื่อลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายเป็นดังนี้ เมื่อบุคคลยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจรึงต้องเป็นภูกไปจเพราะสังขารที่ยึดถือคือขันธ์าที่ยึดถือนี้อยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีความโศกมีความซ้ำครวนรำพัน มีไม่สบายกายไม่สบายใจมีความแคดคับแค้นใจที่เป็นตัวทุกขางใจต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าขันเป็นที่ยึดถือนี่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อจิตใจยังมีความยึดถืออยู่ ยมยึบถือไว้ไม่ตรงการจึงให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพบความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นไปโดยที่ไม่สมปรารถนาจึงต้องเป็นทุกข์ร้อนต่างๆน้อยหรือมาก ตามแต่ว่าจะยึดถือไว้น้อยหรือมากเพียงไรและความยึดถือนี้เองก็เป็นตัวกิเลสความทุกข์ต่างๆก็เป็นผลของกิเลสและแม้จะยึดถือไว้เพียงไรขันห่านี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไปตามธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไปยึดเอาไว้ที่จะเมื่อให้แก่เมื่อให้เจ็บไม่ให้ตายก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนที่จะยึดถือเวลาที่เปลี่ยนไปทุกข์ขนาดไม่ให้เปลี่ยนไปเหมือนดังที่เด็กว่า จะยึดดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้โคจรไปซึ่งเป็นไปไม่ได้พาะฉะนั้นจึงจัดให้คำนิปัสนนาคือให้รู้แจ้งเห็นจริงหรือเห็นจริงรู้แจ้ง ในความจริงของขันห้าอันเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งโดยที่ดัดสอนให้พิจรารณาโดยไตรลักษณ์คือลักษณะที่ไม่เที่ยง ลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาเพราะว่าขันหานี้ยอมกระตาดลักษณะทั้งสามนี้อยู่ตลอดเวลาหากว่าขันห้าจะพูดได้ขันห้าก็จะต้องบอกอยู่ตลอดเวลาว่า ข้าัตเจ้าไม่เที่ยงข้าัตเจ้าเป็นทุกขบวัตเจ้าเป็นอนัตตาให้ท่านมองดูที่ขบวัเจ้าแล้วก็จะเห็นเองว่าไม่เทียงเป็นทุกขเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงได้ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทางความสงบสืขต่อ